ที่ที่ทำการแปรสเน่ณถนนที่ส3สาและถนนไอเวนิวที่8ในนครนิวยอร์กเข้าพเจ้าสังเกตเห็นเสมียนทำหน้าที่ลงทะเบียนเน็ดเหนื่อยในงานของเขาช่างซองส่งสแต็มให้ถอนเงินออกใบรับเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างคร่ำเคร่งอยู่เช่นนี้ปีแล้วปีเล่าเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงรำพึงฉันจะพยายามให้ในายคนนี้ชอบฉันแน่นอนทีเดียวการที่ฉันจะทาให้เขาชอบฉันได้ ฉันจะต้องพูดบางอย่างให้เพราะหูและไม่ใช่พูดถึงตัวฉันแต่จะพูดถึงตัวเขาดังนั้นข้าพเจ้าจึงถามตนเองมีอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเขาที่ฉันจะยกย่องชมเชยการตอบคำถามนี้ได้บางครั้งเป็นของลำบากอยู่สักหน่อยโดยเฉพาะการชมเชยคนที่ไม่รู้จักคุ้นเคยกันแต่ในกรณีสมิเมียนคนนี้ปรากฏว่าเป็นของไม่ยากเลยทันใดนั้นข้าพเจ้าได้ความคิดบางอย่าง ที่จะชมเชยเขาให้ฝังอยู่ในความจำไม่ลืมดังนั้นเมื่อเขาช่างซองจดหมายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงพูดอย่างเลื่อมใสผมอยากมีหัวที่มีผมอย่างคุณเหลือเกินเขาเหลือบตามองครึ่งสะดุ้งใบหน้าของเขาปรากฏอยู่ด้วยรอยยิ้มฉันดีสู้เมื่อก่อนไม่ได้หรอกครับเขาพูดทอมๆข้าพเจ้ายืนยันว่ามันอาจจะไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนจริงแต่อย่างไรก็ตามยังคงงามเหลือเกินเขาแสดงความพอใจอย่างมาก เราสนทนากันต่อไปในอาการติดอกติดใจซึ่งกันและกันอีกเล็กน้อยและประโยคสุดท้ายที่เขาพูดกับข้าพเจ้าก็คือมีใครต่อใครเยอะแยะชมเชยผมของผมข้าพเจ้ากล้าพนันว่านายคนนี้จะต้องเดินไปกินอาหารกลางวันด้วยความปราบปลื้มจนตัวลอยข้าพเจ้ากล้าพนันว่าเมื่อเขากลับไปถึงบ้านคืนวันนั้นเขาจะต้องเล่าให้เมียของเขาฟังข้าพเจ้ากล้าพนันว่าเขาจะต้องมองในกระจกและพูด เป็นหัวที่มีผมงามมากจริงๆเสียด้วยครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ในที่ประชุมแห่งหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นมีชายผู้หนึ่งถามข้าพเจ้าท่านต้องการได้อะไรจากเขาข้าพเจ้าต้องการได้อะไรจากเขาข้าพเจ้าต้องการได้อะไรจากเขาถ้าเราต่างเป็นคนใจแคบอย่างหน้าชังจนกระทั่งเราไม่ต้องการจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการให้คำชมเชยด้วยสุจริตใจเพียงนิดหน่อยโดยไม่ได้หวังสิ่งใดเป็นการตอบแทน ถ้าเราต่างมีวิญญาณอันมีขนาดไม่โตไปกว่าผลพุทธาเชน่นนี้นั่นก็คือหมายความว่าเราเป็นบุคคลที่สมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะประสบความล้มเหลวในชีวิตถูกแล้วข้าพเจ้าต้องการบางอย่างจากเสมียนแปรษณี่ยคนนั้นเหมือนกันข้าพเจ้าต้องการสิ่งอันหาราคามิได้และข้าพเจ้าได้มันไว้แล้วกล่าวคือข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่า ข้าพเจ้ากระทำบางอย่างเพื่อเขาโดยเขาไม่สามารถจะกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้ข้าพเจ้าเป็นการตอบแทนนั่นคือความรู้สึกซึ่งลุกโชนช่วงและหวานซึ่งอยู่ในความจําของท่านเป็นเวลานานหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วมีกฎอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับมัน ญ, ญาติของมนุษย์ซึ่งสําคัญกว่ากฎใดๆทั้งสิ้นถ้าเราปฏิบัติตามกฎนี้เราเกือบจะไม่พบกับความเดือดร้อนยุ่งยากตามความเป็นจริงถ้าเราปฏิบัติตามกฎนี้ จะนำมาให้เราซึ่งมิตรสหายอย่างล้นหลามและความสุขอยู่เป็นนิดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราฝ่าฝืนกฎนี้เราจะนำตนเข้าสู่ความยุ่งยากเดือดร้อนอย่างไม่รู้จักสิ้นสุดกฎนั้นมีดังนี้จงทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญสตรจัรยอนดิวีตามที่เคยอ้างมาแล้วกล่าวว่าความปรารถนาที่จะเป็นคนสาคัญเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนอย่างรุนแรงที่สุด แห่งธรรมชาติมนุษย์และสัตว์าจารย์วิลเลียมเยมกล่าวหลักสําคัญที่สุดแห่งธรรมชาติมนุษย์ก็คือความหิวกระหายที่จะได้รับการยกย่องตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วความกระตุ้นเตือนอันนี้เองแบ่งแยกมนุษย์ให้ผิดแผกแตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานนี่คือความกระตุ้นเตือนซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญในการนํามนุษย์ไปสู่อารยธรรมนักปราชญาหลายคนต่างวางกฎมนุษ ย, ส, ยสัมพันธ์ไว้นับเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว และจากกฎเหล่านี้ทั้งหมดมีเนื้อหาอยู่ที่คำสอนสำคัญเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกฎอันนี้มิได้เป็นของใหม่แต่เก่าแก่เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์โซโรแอตเตอร์สอนเรื่องนี้แก่สารนุสิบซึ่งเคารพเพลิงในเปอร์เซียเมื่อ3 0 0พปีก่อนคงจูเทศนาเรื่องนี้ในประเทศจีน 2,400 ปีมาแล้วเล่าจือ้อผู้ตั้งลัทธิเตา ได้สอนเรื่องนี้แก่สาวกในหุบผาแห่งฮันพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องนี้ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์500ปีก่อนพระเยซูเกิดคำพีของลทัทธิฮินดูสอนเรื่องนี้มาก่อนนั้นอีก 1,000 ปีพระเยซูสอนเรื่องนี้ตามเนินเขาแห่งยูเดีย 1,900 ปีมาแล้วพระเยซูได้สรุปไว้เป็นหลักธรรมอย่างสั้นๆอาจจะเป็นกฎอันสาคัญที่สุดในโลก จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ท่านต้องการจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านท่านต้องการความเลื่อมใสจากผู้ที่ท่านติดต่อสัมพันธ์ด้วยท่านต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าอันแท้จริงของท่านท่านต้องการความรู้สึกว่าท่านเป็นคนสำคัญอยู่ในโลกน้อยๆของท่านท่านไม่ต้องการที่จะฟังคำประจบสอพลออันปราศจากราคาแต่ท่านหิวกระหายคายกย่องสรรเสริญท่านต้องการให้มิตรสหายทั้งหลายของท่าน ต่างเป็นผู้ที่ดังคำพูดของชานชวบเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอย่างเต็มที่เราทุกคนต่างต้องการสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจงปฏิบัติตามหลักศาสนาอันประเสริฐปฏิบัติ ต, ต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราต้องการจะให้ผู้อื่นปฏิบัติ ต, ต่อเราและเราจงให้แก่ผู้อื่นในสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้อื่นให้แก่เราทาอย่างไรทาเมื่อใดทาที่ไหนคาตอบคือ จงทําเช่นนี้ตลอดเวลาและทํานัณทุกหนทุกแห่งเป็นต้นว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าถามสเสมียนหน้าที่สนเทศที่ตึกเรดิโอซิตี้วงเล็บเปิดในนาคารนิวยอร์กวงเล็บปิดถึงเลขห้องสำนักงานของ Henry เฮนรี่ซูเวนสมียนผู้นั้นซึ่งแต่งกายในเครื่องแบบประณีตเรียบร้อยแสดงอาการภาคภูมิตลอดเวลาที่ให้ความกระจ่างแก่ข้าพเจ้าคาพูดของเขาแจ่มแจ้งและชัดเจนขณะเขาตอบ เเวรีซูเวนวงเล็บเปิดหยุดวงเล็บปิดชั้นที่18ปดวงเล็เปิดหยุดวงเล็ปิดห้องที่1816่เข้าเจ้ากระวีกระวาดไปที่ลิฟต์แต่แล้วชะงักนิ่งและเดินกลับมาหาเขาและพูดผมขอแสดงความยินดีที่คุณตอบคำถามของผมด้วยวิธีที่ดีเหลือเกินคุณพูดอย่างกระจ่างและชัดถ้อยชัดคำคุณมีอะไรแปลกๆราวกับคุณเป็นศิลปิน เขายิ้มอย่างปราบปลื้มและบอกข้าพเจ้าว่าเหตุใดเขาจึงหยุดเป็น ต, ตอนๆระหว่างให้คำตอบและเหตุใดจึงทุกๆวลีได้เปล่งเสียงออกมาเช่นนั้นคำพูดของข้าพเจ้าเพียงไม่กี่คำทำให้เขาจับเนคไทยขยับสูงขึ้นเล็กน้อยและขณะข้าพเจ้าอยู่ในลิฟ์พุ่งขึ้นไปสู่ชั้นที่18ของตึกข้าพเจ้ามีความรู้สึกอิ่มใจที่ได้เพิ่มบางสิ่งบางอย่างแม้จะเล็กน้อย ให้แก่ยอดรวมของจํานวนความสุขที่มนุษย์ได้รับในบ่ายวันนั้นท่านไม่จําเป็นจะต้องคอยจนกว่าท่านจะได้เป็นเอกอัครราชทูตประจําประเทศฝรั่งเศสหรือเป็นนายกของสมาคมอะไรสักแห่งหนึ่งแล้วท่านจึงจะใช้ปรัชญายกย่องสรรเสริญนี้ท่านสามารถจะใช้มันให้ปรากฏอย่างน่าอัศจรรย์ได้เกือบทุกวันเป็นต้นว่าหญิงเดินโต๊ะที่ร้านอาหารนํามันฝรั่งยัดไส้มาให้ท่าน แทนจะเป็นเนื้อทอดตามท่านสั่งท่านควรพูดเสียใจมากที่จะต้องรบกวนเธอฉันอยากได้เนื้อทอดหลอนจะตอบไม่รบกวนอะไรหรอกค่าและยินดีปฏิบัติตามความต้องการของท่านทั้งนี้ก็เพราะท่านแสดงกิริยาคาระวะต่อหลอนนั่นเองคำพูดสั้นๆเช่นเสียใจมากที่จะต้องรบกวนท่านการุณาท่านได้โปรดท่านจะรังเกียจขอบคุณ ความสุภาพอ่อนโยนเพียงเล็กน้อยเช่นนี้จะช่วยปลอบใจอีกฝ่ายหนึ่งให้หายจากความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียในงานประจําทํานองเดียวกับฟันเฟืองเครื่องจักรได้รับการหยอดน้ํามันให้เดินสะดวกและอีกประการหนึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าผู้พูดได้ผ่านการอบรมมาเป็นอันดีข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างมาให้ท่านดูอีกสักเรื่องหนึ่งท่านเคยอ่านนวนิยายของเฮลเคนบ้างไหมประชาชนนับเป็นจํานวนล้านล้านอ่านนวนิยายของนักประพันธ์ผู้นี้ เขาเป็นลูกช่างตีเหล็กในชีวิตของเขาไม่เคยเข้าโรงเรียนเกินไปกว่า8ปีแม้กระนั้นเมื่อเขาตายปรากฏว่าเขาเป็นนักประพันธ์ร่ำรวยที่สุดยิ่งกว่านักประพันธ์คนใดเท่าที่โลกเคยรู้จักมาแล้วเรื่องนี้เป็นดังนี้ฮอนเคนชอบโครงแบบซอนเนตและเบลลัสด้วยเหตุนี้เองเขาจึงหลงไหลในโครงต่างๆทั้งหมดของดานตีกาบริเนโรเซตตี เขาเคยแต่งปาทกถาสันเสริญเยนยอความสำเร็จอันวิจิตเฉิดฉายของโรเซตตีและนำส่งสำเนาไปให้โรเซตตีชุดหนึ่งแน่ละโรเซตตีจะต้องปราบเรื่อมยินดีชายหนุ่มคนใดก็ตามที่เลื่อมใสยอย่างสูงในความปรีชาสามารถของฉันโรเซตตีคงจะพูดกับตนเช่นนี้จะต้องเป็นคนเฉลียวฉลาดด้วยเหตุนี้เองโรเซตตี etti, จึงเชิญลูกชายช่างตีเหล็กผู้นี้ให้เดินทางมากรุงลอนดอน และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเขานี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งชีวิตฮอนเคนทั้งนี้ก็เพราะจากตำแหน่งหน้าที่ของเขาเขาได้พบปะและรู้จักกับศิลปินทางด้านอักษรศาสตร์ทั้งหลายประจำยุคอาศัยคำแนะนำและการให้กำลังใจของศิลปินเหล่านั้นนับว่าเป็นผลกำไรอย่างใหญ่หลวงแก่เขาโดยช่วยให้เขาย่างเข้าสู่งานอาชีพซึ่งส่งชื่อเสียงของเขาพุ่งขึ้นเหนือท้องฟ้าอย่างรุ่งโรจน์ชดช่วง บ้านของเขาปราสาทกรีบานัากเกาะไอเซนออฟแมนกลายเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกอันไกลแสนไกลต่างพากันมาชมอย่างคับคั่งเมื่อเขาตายเขามีอสังหาริมทรัพย์ราคาถึงสองล้านห้าแสนเหรียญแน่นอนเหลือเกินเขาอาจตายในฐานะยากจนและไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงของเขาแพร่หลายถ้าเขาไม่ได้เขียนความเรียงแสดงความรู้สึกยกย่องสรรเสริญต่อบุคคลเบืองนามผู้หนึ่ง นั่นคือพลังและเป็นพลังอันมหาศาลซึ่งบรนดาลมาจากการยกย่องสรรเสริญด้วยความสุจริตและจริงใจไม่เป็นของแปลกเลยที่โรเซตตีเข้าใจว่าตัวของเขามีความสำคัญคนเกือบทุกคนต่างเข้าใจว่าตัวของเขามีความสำคัญและมีความสำคัญอย่างมากมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่างเข้าใจตนเองเช่นนี้ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่เหนือกว่าชาวญี่ปุ่นไหมมีความจริงอยู่ว่า ชาวญี่ปุ่นถือตัวว่าพวกเขาเป็นคนเหนือกว่าท่านเป็นต้นว่าชาวญี่ปุ่นหัวเก่าจะโมโหโทโสถ้าเห็นคนผิวขาวเต้นรากับสุภาพสตรีญี่ปุ่นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นคนเหนือกว่าพวกฮินดูในอินเดียไหมนั่นเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะเข้าใจอย่างไรก็ได้แต่พวกฮินดูเป็นจำนวนล้านต่างรู้สึกว่าเขาเป็นคนเหนือกว่าท่านเขาเหล่านี้จะไม่ยอมแตะต้องอาหารซึ่งเพียงแต่เงาของท่านไปถูกเข้าโดยเขาถือว่า ท่านเป็นคนจรนไรและเงาของท่านทำให้อาหารของเขาแปดเปื่อนท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนเหนือกว่าพวกเอดกิโมไหมอีกนั่นแหละมันเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะรู้สึกอย่างไรก็ได้แต่ท่านอยากรู้ไหมว่าชาวเอดกิโมคิดอย่างไรต่อท่านในหมู่ชาวเอดกิโมมีพวกเอดกิโมกุ้ยกุ้ยอยู่บางคนซึ่งเป็นคนสารเลวและขี้เกียจทางานพวกเอจกิโมอื่นๆเรียกคนเหล่านี้ว่า ไอ้คนผิวขาวนั่นเป็นคำพูดที่แสดงอาการดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างที่สุดทุกชาติจะรู้สึกว่าตนอยู่เหนือกว่าชาติอื่นๆความรู้สึกนี้เพราะความรักชาติอย่างแรงกล้าและเพราะสงครามมีความจริงที่ไม่รู้จักเสื่อมสู์อยู่ว่าคนที่ท่านพบปะสนทนาด้วยเกือบทุกคนจะรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าท่านในทางใดทางหนึ่งซึ่งวิธีที่จะทาให้เขาเกิดความปรับปริ่มก็คือ ท่านจงยกย่องความสําคัญในทางนั้นๆของเขาด้วยความสุจริตใจโปรดอย่าลืมว่าเอเมอร์สันกล่าวดังนี้คนทุกคนที่ข้าพเจ้าพบปะสนทนาด้วยย่อมมีสิ่งที่เหนือกว่าข้าพเจ้าในบางประการด้วยกันทั้งนั้นและข้าพเจ้าศึกษาสิ่งที่อยู่เหนือนั้นจากเขาและสิ่งที่น่าเวทนาอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์บางคนซึ่งปรารถนาจะทําตัวให้เหนือไปกว่าผู้อื่น ถึงกับหนุนความรู้สึกอันต่ำต้อยของตนให้สูงขึ้นโดยการร้องตะโกนทำเสียงเออะอึกระทึกและแสดงความหมื่นทะลึ่งต่างๆนานาซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นที่น่ารังเกียจชวนคลื่นเหียนอาจเจียนแก่ผู้อื่นทั้งนี้ตรงกับที่เชคสเปียร์กล่าวมนุษย์มนุษย์ผู้หญิงทะนงเมื่อใดเป็นผู้มีอานาจวาสนาในระยะสั้นๆจะแสดงเล่กลพิสดาร น, น, นานาประการ เฉพาะหน้าสวรรค์อันสูงจนกระทั่งเทวดาถึงกับร้องไห้ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องสามเรื่องของนักธุรกิจในชั้นการศึกษาของข้าพเจ้าว่าเขาเหล่านี้ประสบผลอันงามในการปฏิบัติตามหลักการทั้งหลายอย่างไรบ้างขอยกตัวอย่างรายแรกซึ่งท่านผู้นี้เป็นทนายความอยู่ในรัฐคอนเน็กติคัตแต่เขาขอร้องไม่ให้กล่าวชื่อของเขาเพราะจะเป็นการไม่เหมาะสําหรับญาติพี่น้องของเขาหลังจากเขาศึกษาไม่นานชายผู้นี้ซึ่งขอเรียกชื่อว่า มิสเตอร์อาร์ขับรถยนต์ไปเกาะลองไอแลนด์พร้อมด้วยเมียของเขาเพื่อเยี่ยมญาติของเมียเมียของเขาปล่อยเขาให้สนทนากับป้าชาราของหลอนในเมื่อหลอนเองไปหาญาติที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวเนื่องจากมิสเตอร์อาร์ถูกเกณฑ์ให้นำเรื่องมาเล่าหน้าชั้นถึงผลของการใช้หลักยกย่องสรรเสริญเขาจึงมีความคิดที่จะใช้หลักนี้กับสุภาพสตรีชาราดังนั้นเขาจึงมองไปรอบๆ บ, บ้าน เพื่อหาสิ่งที่เขาสามารถจะชมเชยด้วยความสุดจริตใจบ้านนี้สร้างเมื่อคิทศักราช 1,890 ใช่ไหมครับเขาถามถูกแล้วหญิงชาราตอบเธอทายแม่นเหลือเกินสร้างในปีที่เธอว่านั่นแหละบ้านนี้เตือนผมให้นึกถึงบ้านที่ผมเกิดเขาพูดสวยมากสร้างอย่างแข็งแรงห้องโปร่งสบายคุณป้ารู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สร้างบ้านแบบนี้กันอีกแล้วของเธอ หญิงชาราเห็นพ้องด้วยคนสมัยนี้ไม่เอาใจใส่กับบ้านสวยๆเขาต้องการแต่ห้องเล็กๆมีตู้น้ำแข็งมีรถยนต์เที่ยวหาความสนุกกันนอกบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านแห่งความฝันของป้าขณะพูดเสียงของหล่อนสันจากห่วงนึกถึงความหลังอันแสนหวานบ้านนี้สร้างขึ้นด้วยความรักหัวของป้าและป้าเองต่างฝันกันอยู่หลายปีก่อนจะสร้างมันขึ้นไม่ได้มีสถาปนิกที่ไหนมาออกแบบให้หรอก เราออกแบบเองทุกอย่างครั้นแล้วหลอนพาเขาเที่ยวชมบ้านและสิ่งต่างๆจนทั่วซึ่งเขากล่าวยกย่องชมเชยด้วยความสุจริตใจต่อสิ่งมีราคาต่างๆซึ่งหลอนซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศและเก็บรักษาไว้อย่างทนุถนอมตลอดชีวิตของหลอนผ้าคลุมไหล่ทำที่ไพสรสลีวงเล็บเปิดสกอตแลนด์วงเล็บปิดเครื่องชุดน้ำชาสมัยเก่าเครื่องกระเบื้องจากโรงงานของเวสต์วูด เตียงนอนและเก้าอี้ชุดแบบฝรั่งเศสภาพวาดสีน้ำมันฝีมือชาวอิตาเลียนและม่านแพรซึ่งครั้งหนึ่งเคยแขวนอยู่ในปราสาทแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสหลังจากพาผมไปดูน่นดูนี่จนทั่วบ้านแล้วมิสเตอร์อาเล่าคุณป้าพาผมไปที่โรงรถที่นั่นผมเห็นรถแพ็กกาดคันหนึ่งค่อนข้างใหม่ถูกแม่แรงยกให้ล้อลอยวางอยู่บนท่านไม้ผัวของป้าซื้อรถคันนี้ก่อนตายไม่เท่าไหร่ พูดเสียงแผวป้าไม่เคยนั่งมันเลยภายหลังเขาตายเธอเป็นคนรู้จักคุณค่าของของดีๆมีราคาเพราะฉะนั้นป้าจะให้รถคันนี้แก่เธอคุณป้าครับเขาพูดคุณป้าทําให้ผมรู้สึกตื้นตันใจผมขอขอบคุณในความกรุณาของคุณป้าแต่ผมรับมันไว้ไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้เป็นหลานคุณป้าโดยตรงเลยสําหรับรถยนต์ผมก็มีรถใหม่ของผมอยู่แล้วคุณป้ามีญาติอยู่เยอะแย ะ, แยะ ที่อยากได้รถแพ็กกาดคันนี้ญาติหล่อนอุทานถูกแล้วป้ามีญาติอยู่หลายคนที่กำลังคอยท่าให้ป้าตายเพื่อเขาจะได้รถคันนี้ไปเป็นกรรมสิทธิ์แต่จะไม่มีญาติคนไหนได้เป็นเจ้าของมันเป็นอันขาดถ้าคุณป้าไม่อยากให้ญาติคุณป้าอาจจะขายให้ร้านคา้ารถยนต์ใช้แล้วได้อย่างง่ายๆเขาแนะนาขายเซนนะหรือหล่อนร้องขึ้นเธอคิดว่าป้าจะขายรถคันนี้หรือ เธอคิดว่าป้าจะทนมองคนแปลกหน้าขี่รถคันนี้ผ่านถนนไปผ่านถนนมารถซึ่งัวของป้าซื้อให้ป้าโดยเฉพาะป้าไม่เคยคิดฝันที่จะขายมันป้าจะให้เธอเธอรู้จักคุณค่าของของดีๆเขาพยายามจะเบี่ยงเบยไม่ยอมรับรถคันนี้แต่เขาไม่มีทางที่จะทำได้โดยไม่กระทบกระเทือนใจคุณป้าผู้มีความตั้งใจแน่แน่สุภาพสตรีชาราผู้นี้ดารงชีวิตด้วยความอ้างว้างอยู่ภายในบ้านกว้างใหญ่ กับผ้าคุมไพรสลีของหลอนวัตถุโบราณฝรั่งเศสของหลอนและความจำต่างๆแต่หัวหลังของหลอนกําลังหิวกระหายที่จะให้ผู้อื่นยกย่องหลอนบ้างแม้จะเพียงเล็กน้อยสมัยหนึ่งสุภาพสตรีชาราผู้นี้เป็นหญิงสาวสวยและเคยได้รับความพเนาพนอมมาเป็นอันดีสมัยหนึ่งหลอนเคยสร้างบ้านซึ่งอบอุ่นอยู่ด้วยความรักอันหวานชำ้ำและสะสมวัตถุมีราคาจากภาคพื้นยุโรปเพื่อประดับให้บ้านสวยงามยิ่งขึ้น หน้าบัดนี้ท่ามกลางชีวิตอันอ้างว้างโดดเดี่ยวในวัยชาราหล่อนกระหายที่จะได้รับความอบอุ่นจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างความอบอุ่นซึ่งมาจากการยกย่องชมเชยด้วยน้ำใสใจจริงแม้เพียงเล็กน้อยความอบอุ่นซึ่งไม่มีใครเลยให้หล่อนได้ครั้นเมื่อหล่อนพบมันเข้าเปรียบประดุดผู้พบบ่อน้ำพุกลางทะเลทรายจึงเกิดความรู้สึกซาบซึ้งยินดีมากมายจนหล่อนไม่สามารถจะกล่าวเป็นคำพูดออกมาได้ถูกต้อง และสิ่งที่หลอนกระทาก็คือให้ของขวัญด้วยรถแพ็กกาดเป็นการตอบแทนข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งดอนนันแมกมาฮอนผู้อำนวยการแห่งลุยและวาเลนที น, นทำกิจการเพราะต้นไม้และเป็นสถาปนิกทางก่อสร้างภูมิประเทศตามสวนในบริเวณบ้านอยู่ที่เมืองไรรัฐนิวอร์กเล่าเรื่องที่เขาได้ประสบมาดังนี้หลังจากผมฟังคาบรรยายเรื่องวิธีชนะมิตรและจูงใจคนแล้วไม่กี่วัน ขณะผมกำลังควบคุมการก่อสร้างภูมิประเทศอยู่ในสวนของทนายความชื่อ ด, งดังผู้หนึ่งทนายความเจ้าของบ้านมาชี้แจงแก่ผมว่าเขาอยากจะปลูกต้นไม้ดอกโรโดเดนดอนและต้นอาร์เซเลียรวมกันเป็นหมู่มู่ผมพูดคุณมีงานอดิเรกที่น่าสนุกมากผมกำลังนึกชมหมาของคุณที่มันช่างสวยงามสีจริงๆผมคิดว่าคุณคงจะชนะรางวัลการประกวดหมาครั้งใหญ่ที่เมดิซันสแควร์การ์เดนทุกปี ผลจากการแสดงความรู้สึกยกย่องชมเชยของผมแม้จะเพียงเล็กน้อยปรากฏขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นครับทนายความตอบผมได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการเลี้ยงหมาของผมมากคุณอยากดูหมาที่กุฏิของมันไหมล่ะเขาใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอวดหมาทั้งหลายของเขาและอวดรางวัลต่างๆที่หมาได้รับในการประกวดนอกจากนั้นเขายังคุยถึงเทือกเถาเหล่ากอของหมาเหล่านั้น และอธิบายถึงสายเลือดของการผสมพันธุ์ซึ่งทําให้หมาสวยแล ะ, ฉะเฉลียวฉลาดสุดท้ายเขาหันหน้ามาที่ผมแล้วถามคุณมีลูกชายเล็กๆบ้างหรือเปล่าครับมีครับผมตอบเหมาะมากเขาชอบลูกหมาไหมเขาถามโอ้ครับถ้าเขามีสักตัวเขาคงจะดีใจอย่างริงโลดทีเดียวดีแล้วทางนั้นผมจะให้เขาสักตัวทนายความร้องบอกเขาเริ่มอธิบายให้ผมเข้าใจถึงวิธีเลี้ยงลูกหมา แต่แล้วเขาหยุดลังเลคุณคงจะจำตามที่ผมบอกคุณไม่ได้เป็นแน่ผมจะจดให้ครั้นแล้วเขาเข้าไปในบ้านพิมดีดบอกวงวันของลูกหมาตัวนี้และวิธีเลี้ยงการที่ทนายความผู้นี้ให้ลูกหมาซึ่งมีราคาหนึ่ง้อยเหรียญแก่ผมและเสียเวลาอันมีค่าของเขากับผมหนึ่งชั่วโมง15้านาทีเนื่องจากผมได้แสดงความรู้สึกยกย่องชมเชยด้วยความสุจริตใจต่อ ง, งานอดิเรก ข, ของเขาและความสาเร็จของเขานั่นเอง ยอดอิสมันเป็นผู้ทำให้ชื่อโกดักรู้จักกันแพร่หลายได้ประดิษฐ์ฟิล์มชนิดใสขึ้นซึ่งส่งเสริมให้มีการสร้างภาพยนต์สำเร็จตราบจนทุกวันนี้เขาสร้างโชคลาภจากกิจการนี้ของเขาถึงหนึ่งร้อยล้านเหรียญและสร้างชื่อเสียงของเขาให้อยู่ในฐานะนักธุรกิจนาโด่งดังที่สุดคนหนึ่งของโลกแม้กระนั้นทั้งๆเขาได้ประสบความสาเร็จอย่างใหญ่หลวงเขายังกระหายที่จะให้มีผู้ยกย่องเขาบ้าง แม้จะเพียงเล็กน้อยทำนองเดียวกับท่านและข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างดังนี้หลายปีมาแล้วอิสมันบริจาคเงินสร้างโรงเรียนการดนตรีอิสมันในเมืองรอเชเตอร์และสร้างโรงมหรสพกินเบิร์นฮอร์เพื่อเป็นที่ระลึกแก่แม่ของเขาเยมอดัมซันประธานแห่งบริษัทซูปีเรียซิตติ้งแห่งนครนิวยอร์กต้องการจะขายเก้าอี้สาหรับใช้ในโรงมหรสพให้แก่สถานก่อสร้างทั้งสองแห่งนี้ มิสเตอร์อดัมสันจึงใช้โทรศัพท์ถึงสถาปานิกและกำหนดเวลาที่จะพบมิสเตอร์อิสแมนในเมืองรอเชสเตอร์เมื่ออดัมสันมาถึงสถาปานิกพูดกับเขาผมรู้ดีว่าคุณต้องการอย่างยิ่งที่จะได้รับคำสั่งซื้อแต่ผมขอเตือนว่าคุณจะพบความล้มเหลวถ้าคืนทำให้ยอร์ธอิสแมนเสียเวลากับคุณเกินไปกว่าห้านาทีเขาเป็นคนถือวินัยจัดเขายุ่งมาก ทางที่ดีจงพูดถึงเรื่องของคุณให้เร็วๆหน่อยแล้วรีบกลับออกมาอดัมสันเตรียมที่จะปฏิบัติตามเช่นนี้เหมือนกันเมื่อสถาปนิกนำเขาเข้ามาในห้องทำงานของมิสเตอร์อิตแมนเขาเห็นเจ้าของห้องก้มหน้ามองกองกระดาษบนโต๊ะง่วนอยู่ครั้นแล้วในทันทีทันใดนั้นเองเมิสเตอร์อิตแมนเงยหน้าขึ้นถอดแว่นตาลุกขึ้นเดินตรงมาหาสถาปนิกและมิสเตอร์อดัมันแล้วพูดอรุณสวัสดิ์ท่านสุภาพบุรุษ ผมมีอะไรที่จะทำประโยชน์ให้แก่ท่านบ้างไหมสถาปนิกแนะนำคนทั้งสองให้รู้จักกันครั้นแล้วมิสเตอร์อดัมซันพูดขณะคอยท่านอยู่มิสเตอร์อทมันผมอดที่จะชมเชยสำนักงานของท่านไม่ได้เลยผมจะทำงานขยันขึ้นอีกมากถ้าผมมีห้องทำงานอย่างนี้ที่จริงผมเองก็ทำธุรกิจทางด้านการตกแต่งเครื่องไม้ภายในสถานที่แต่ผมไม่เคยเห็นสำนักงานที่ไหนสวยไปกว่านี้ในชีวิตของผมยอดอทมันตอบ คำพูดของท่านเตือนผมให้ระลึกถึงสิ่งที่ผมเกือบจะลืมมันเสียแล้วมันสวยมากใช่ไหมครับเมื่อตอนเริ่มสร้างผมเหื่อมันจริงเทียวแต่มาเวลานี้ผมมาที่นี่พร้อมกับมีภาระร้อยแปดยุ่งอยู่ในสมองจนกระทั่งบางคราวตั้งห ล, หลายสัปดาห์ผมไม่เคยสังเกตดูห้องหับเลยว่ามันสวยอย่างไรอดัมสันเดินไปใช้มือรูปที่กรอบหน้าต่างและพูดไม้นี้เป็นไม้ออคอังกฤษใช่ไหมครับ เนื้อของมันแตกต่างกับไม้ออกอิตาเลียนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใช่ครับอิตมันตอบเป็นไม้ออกสั่งมาจากอังกฤษเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการคัดไม้เนื้อดีเลือกให้ผมครั้นแล้วอิตมันพาดัมซันเที่ยวดูน่นนี่ทั่วห้องมือชี้ไปที่ส่วนสั์การทาสีการแกะสลักด้วยมือและสิ่งอื่นๆซึ่งเขามีส่วนช่วยเหลือในการออกแบบและจัดสร้าง ขณะเดินไปตามห้องและชมเครื่องไม้ต่างๆของคนทั้งสองมาหยุดที่หน้าต่างช่องหนึ่งแล้วยอดอิดมันชี้แจงด้วยเสียงละมุนละไมและในอาการทอมๆถึงการบริจาคเงินในกิจการสาธารณะหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นการบริจาคแกมหาวิทยาลัยรอเชสเตอร์โรงพยาบาลเยเนรันโรงพยาบาลโฮมีออพารติกโรงพยาบาลเฟรนลีโฮมโรงพยาบาลสำหรับเด็ก มิสเตอร์อดัมสันแสดงความยินดีในอุดมคติของมิสเตอร์อิดมันที่ได้ใช้เงินจํานวนใหญ่บริจาคในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกทรมานจากป่วยไขย้ทันใดนั้น man, ยอทอิดมันไขตู้กระจกและดึงกล้องถ่ายรูปกล้องแรกที่เขาเป็นเจ้าของประวิติกรรมซึ่งเขาซื้อมาจากชาวอังกฤษผู้หนึ่งครั้นแล้วอดัมสันถามเขาถึงการต่อสู้ดิ้นรนเมื่อสมัยโน้นก่อนมาดําเนินธุรกิจในการทํากล้องถ่ายรูปจำหน่าย ซึ่งมิสเตอร์อิแมนคุยอย่างเปิดเผยและจริงใจถึงความยากจนของเขาเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล่าถึงว่าแม่ผู้เป็นไม่ของเขาเป็นเจ้าของบ้านพักแห่งหนึ่งส่วนเขาเองเป็นเสมียนอยู่ในสำนักงานบริษัทประกันภัยด้วยรายได้วันละ50เซนความยากจนหลอกหลอนเขาให้หวาดสะดุ้งอยู่ทุกวันคืนจนเขาเกิดความตั้งใจแรงกล้าที่จะหาเงินมาให้มากพอโดยไม่ต้องทางานอย่างเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจตายที่บ้านพัก มิสเตอร์ดัมสันได้ซักถามต่อไปอีกหลายประโยคแล้วฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและตั้งใจฟังเป็นพิเศษเมื่อมิสเตอร์อิตนเล่าถึงเรื่องการค้นคว้าทดลองแผ่นกระจกถ่ายรูปชนิดแท่งของเขามิสเตอร์อิตแนเล่าถึงว่าเขาต้องทำงานในที่สำนักงานตลอดวันอย่างไรและบางครั้งทำการทดลองตลอดคืนแบบไหนจนเขาต้องหาเวลางีบสั้นๆเสียนิดหนึ่งในระหว่างกลั่นเคมี บางครั้งเขาทำงานและนอนในเสื้อกางเกงชุดเดียวตลอดเวลา72ชั่วโมงเยมอดัมสันเข้าไปในห้องของยอชอิสมันเมื่อเวลา10นาิก15นาทีโดยได้รับคำเตือนว่าอย่าอยู่นานเกินไปกว่า5นาทีครั้นแล้วปรากฏว่า1ชั่วโมงผ่านไปและ2ชั่วโมงผ่านไปแต่คนทั้งสองยังคงสนทนากันอยู่สุดท้ายยอชอิสมันหันหน้ามาทางอดัมสันและพูด เมื่อผมไปประเทศญี่ปุ่นครั้งที่แล้วตอนกลับบ้านผมซื้อเก้าอี้ติดมาด้วยหลายตัวผมวางเก้าอี้เหล่านี้ไว้ที่ระเบียงบ้านตรงที่รับแดดแสงแดดทําให้สีถลอกปอกเปิกหมดเหตุนี้เองผมจึงเข้าไปซื้อสีที่ในเมืองเมื่อวันก่อนแล้วทาเก้าอี้เหล่านี้ด้วยตนเองท่านอยากเห็นไหมว่าผมทาสีเก้าอี้ได้ขนาดไหนเอาล่ะครับไปบ้านผมด้วยกันกินอาหารกลางวันกับผมแล้วผมจะให้ท่านดู หลังอาหารกลางวันมิสเตอร์อิทมันอวดเก้าอี้ที่เขาซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นแก่มิสเตอร์อดัมสันราคาเก้าอี้เหล่านี้ตัวหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเหรียญห้าสิบเซนแต่ยอร์ธอิทมันผู้ได้รับผลกำไรจากกิจการของเขาถึงหนึ่งร้ยล้านเหรียญมีความภูมิใจต่อเก้าอี้เหล่านี้ก็เพราะเขาทาสีมันด้วยตนเองท่านลองทายสิว่าคำสั่งซื้อเก้าอี้ราคาเก้ามืเหรียญได้แก่ใคร เยเมอดมซันหรือคู่แข่งขันคนใดคนหนึ่งของเขานับตั้งแต่ครั้งนั้นจนกระทั่งมิสเตอร์อิตแมนถึงแก่กรรมเขากับเย็มอแดมซันเป็นเพื่อนสนิทกันตลอดมาท่านและข้าพาเจ้าจะเริ่มปฏิบัติตามหลักมหาสจรัร์ในการยกย่องสันเสริญที่ไหนทำไมไม่ลองปฏิบัติ ด, ดูที่บ้านข้าพาเจ้ายังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีที่ใดซึ่งจาเป็นยิ่งไปกว่าหรือถูกทอดทิ้งยิ่งไปกว่าที่บ้านของท่าน เมียของท่านจะต้องมีสิ่งที่น่ารักน่าบูชาอยู่หลายประการหรืออย่างเลวที่สุดครั้งหนึ่งท่านก็เคยคิดว่าหลอนเป็นเช่นนั้นมีฉะนั้นท่านคงจะไม่แต่งงานกับหลอนแต่ท่านจําได้ไหมว่านานเท่าใดมาแล้วที่ท่านยกย่องชมเชยสเสน่นห์อันน่าติดเนื้อต้องใจของหลอนนานเท่าใดมาแล้วนานเท่าใดมาแล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้ข้าพเจ้าไปตกปลาที่ต้นน้ําของแม่น้ํามิรานิชิในเมืองนิวบรันสวิก ข้าพเจ้าอยู่โดดเดี่ยวในกระโจมซึ่งกางอยู่ในสถานที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวของป่าแห่งประเทศแคนาดาสิ่งที่ข้าพเจ้าหาอ่านได้ในสถานที่นี้ก็คือหนังสือพิมพ์ที่ออกในชนบทฉบับหนึ่งข้าพเจ้าอ่านทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นรวมทั้งโฆษณาต่างๆและบ Dog owe Dog owe Dog owe. ทความโดยดอโรทีดิกข้อเขียนของหญิงผู้นี้ซาบซึ้งตรึงใจอย่างยิ่งกระทั่งข้าพเจ้าต้องตัดเก็บเอาไว้ดอโรทีดิกแย้งว่า หล่อนเบื่อนายละเอิยระอาเสียจริงๆที่ได้ฟังสุนทรพจน์แนะนำสั่งสอนกันแต่เจ้าสาวบ่อยๆหล่อนอธิบายว่าทางที่ดีควรมีใครสักคนดึงตัวเจ้าเบ่าไปเสียทางหนึ่งและให้โอวาตดังต่อไปนี้อย่าเพิ่งแต่งงานจนกว่าท่านจะได้จูบหินบานีแล้วการยกย่องชมเชยผู้หญิงก่อนสมรสเป็นเรื่องของมัญญาตอันงามแต่การยกย่องชมเชยหลังจากท่านสมรสกับหล่อนเป็นความจาเป็นและจะนาสันติสุขมาให้ ชีวิตสมรสไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรใช้วาจาอย่างผงผังตรงไปตรงมาแต่จะต้องอาศัยชั้นเชิงทางการทูตประกอบด้วยถ้าท่านปรารถนาจะกินอาหารอร่อยทุกๆวันจงอย่าค่อนแคะการเป็นแม่บ้านของเมียหรือนำไปเปรียบเทียบกับแม่ของท่านเป็นอันขาดแต่โดยตรงกันข้ามจงยกย่องชมเชยกิจบ้านการเรือนของหล่อนอยู่ประจำและจงแสดงความชื่นชมยินดีอย่างเปิดเผยเหมือนหนึ่งท่านได้สมรสกับหญิงเพียงคนเดียวเท่านั้น ผู้ประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติดีงามและเป็นเจ้าของสเสน่ห์แห่งเทพธิดาวีนัสเทพธิดามิเนวาและ Mary แมรี่แอนแมสเต็กจะเหนียวและขนมปังจะปิ้งไหมดำไปหน่อยจงยาบนท่านเพียงแต่บอกหล่อนว่าอาหารวันนี้ยังไม่ดีบริบูรณ์เหมือนปกติซึ่งหล่อนจะยอมทนร้อนจนตัวเกรียมอยู่ที่เตาในครัวเพื่อจะเป็นหญิงในอุดมคติของท่านท่านอย่าเพิ่งลงมือปิบัิในทันทีทันใด เดี๋ยวเมียของท่านจะเกิดสงสัยขึ้นมาแต่คืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้จงเอาดอกไม้ติดมือมาฝากหล่อนหรือจะเป็นขนมสักกล่องก็ได้ท่านอย่าเพียงแต่พูดที่จริงฉันควรจะทําอย่างนี้ท่านจงทําเสียเลยทีเดียวและท่านจงแถมยิ้มให้หล่อนพร้อมด้วยคําพูดออดพลอดเย้าหยอกถ้าเมียและผัวต่างปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ความรักระหว่างกันจะเป็นไปอย่างซาบซึ้งดูดดื่มและการอย่าร้างจะไม่เกิดขึ้น ท่านอยากรู้วิธีที่จะทําให้ผู้หญิงรักท่านบ้างไหมดีแล้วนี่ไงละ่ะท่านคือเคล็ดลับซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับผลอันงามไม่ใช่เป็นความคิดของข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้ายืมมาจากดอโร์ธิดิกครั้งหนึ่งหล่อนสัมภาษณ์อาชญากรดือนามผู้หนึ่งซึ่งติดตารางเนื่องจากแต่งงานกับหญิงในเวลาเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนและอาชญากรผู้นี้แต่งงานกับหญิงยีสิบสาคนมีนามซ้ํา ปลิ้นปลอนเอาเงินที่เก็บออมในธนาคารของหญิงเหล่านี้เสียด้วยวงเล็บเปิดและอันหนึ่งโปรดจําไว้ว่าดอรธ์ธดิกสัมภาษดชายผู้นี้ขณะเขาอยู่ในตารางวงเล็บปิดเมื่อหลอนถามเขาถึงเลขเหลี่ยมที่สามารถทําให้ผู้หญิงรักเขาตั้งหลายคนเขาตอบว่าไม่มีเลขเหลี่ยมอย่างใดเลยสิ่งที่ท่านพึงกระทําก็คือสนทนากับผู้หญิงถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวของหลอนเท่านั้นและเทคนิคเดียวกันนี้ ถ้านำมาใช้กับผู้ชายก็ได้ผลอย่างเดียวกันสนทนากับชายคนใดก็ตามถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวของเขาดิสเลลีรัฐบุรุษผู้เฉิยฉลาดที่สุดคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่เคยปกครองจั ก, กรวรรดิอังกฤษมาแล้วพูดเขาจะฟังนับเป็นชั่วโมงๆดังนั้นถ้าท่านต้องการให้ผู้อื่นชอบท่านกดที่6มีดังนี้จงทาให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเป็นคนสาคัญและจงทาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้มานานพอแล้วจงปิดมันเสียเดี๋ยวนี้เคาะคิดเท่าที่ไฟดับมานานแล้วออกจากกล้องของท่านแล้วลงมือปฏิบัติตามปรัชญาแห่งการยกย่องชมเชยตั้งแต่บัดนี้กับคนที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดแล้วจงคอยเฝ้าสังเกตผลอันมหาศารร์ที่จะปรากฏขึ้น